คำพีวิสุทธิมักปริเชษที่สิบห้าอายตนะธาตุนิเทศอายตนะนิเทศอายตนะสิบสองคือจักขายตนะรูปายตนะโสตายตนะสัตทายตนะขานายตนะคันทายตนะชิวหายตนะราสายตนะกายายตนะ พุทธพยตนะมานายตนะธรมมายตนะชื่อว่าอายตนะทั้งหลายวินิจฉัยในอายตนะเหล่านั้นบัณฑิตพึงทราบโดยอัฏฐะโดยลักษณะโดยความมีเพียงนั้นโดยลำดับโดยสังเขปและโดยพิสดารอันหนึ่งโดยเป็นสิ่งพึงเห็นผลด้วยหล โดยอัฏฐะแก่จักสุสับเป็นต้นในบทเหล่านั้นว่าโดยอัฏถะแห่งสับที่แปลกกันก่อนธรรมชาติใดย่อมเห็นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าจักสุความแห่งสับว่าจากักคติย่อมเห็นว่าย่อมยินดีคือลิมรสรูป และยอมบอกให้รู้รูปสิ่งใดย่อมแสดงสีเหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่ารูปความแห่งสักดิรู ป, ปายติแสดงสีความว่ารูปเมื่อถึงความเปลี่ยนสีย่อมประกาศความในใจธรรมชาติใดย่อมได้ยินเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าโสต สิ่งใดถูกปัจจัยของตนเสือกส่งออกไปเหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่าศรัท ธ, ธาความแห่งศัพท์ว่าสัพติถูกส่งออกไปความว่าถูกเปล่งขึ้นให้เป็นสิ่งพึงรู้ได้ทางโสตะคือหูธรรมชาติใดย่อมสูดเอากลิ่นได้เหตุนั้นธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่าขานะคือจมูกสิ่งใดย่อมฟุ้งไปได้เหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่าคันทะคือกลิ่นความแห่งศั์ว่าคันทยติคือย่อมฟุ้งไปความว่าสอที่อยู่ของตนธรรมชาติใดย่อมเรียกชีวิตเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าชิวหาคือลิ้นสัตว์ทั้งหลายย่อมชอบใจซึ่งวิสัยนั้นเหตุนั้นวิสัยนั้นจึงชื่อว่าระสะคือรสหมายถึงวิสัยเป็นที่ชอบใจแห่งสัตว์ทั้งหลายความแห่งศัพท์ว่าระสันติชอบใจความว่ายินดีคือรู้สึกอร่อย ธรรมะที่ชื่อว่ากายเพราะเป็นอายะคือที่มาแห่งกุจจิตธรรมคือธรรมะเลวคือสาสวะธรรมคือธรรมะที่เป็นไปกับอาสวะทั้งหลายคำว่าอายะที่มาได้แก่ที่เกิดสิ่งใดถูกต้องได้ด้วยกายเหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่าโพธพิภพ สภาพใดย่อมรู้เหตุนั้นสภาพนั้นจึงชื่อว่ามนะคือใจสภาพทั้งหลายใดย่อมทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเหตุนั้นสภาพทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าธรรมะแก่ายตนะสับโดยแยกอวัยวะ แต่เมื่อว่าโดยไม่แปลกกันพึงทราบว่าทวารและอารมณ์มีจักสุและรูปเป็นต้นนั้นได้ชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นที่สืบต่อหนึ่งเพราะแผ่อายะทั้งหลายหนึ่งและนําอายะตะไปหนึ่งอัฏฐนัยะที่หนึ่งคืออายตนะโตเพราะเป็นที่สืบต่อมีอธิบายว่า ก็จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายย่อมสืบต่อคือหมั่นเพียรพยายามไปตามกิจคือหน้าที่ของตนของตนมีการเสวยรสอารมณ์เป็นอาทิในทวารและอารมณ์นั้นๆมีจักขุและรูปเป็นต้นเพราะเหตุ น, นั้นทวารและอารมณ์นั้นๆจึงชื่อว่าอายตนะแปลว่าเป็นที่สืบต่อแห่งจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย อัตตนัยยะที่สองคืออาญานังแต่นานาโตเพราะแพ่อาญะทั้งหลายมีอธิบายว่าก็แลทวารและอารมณ์ทั้งหลายนั้นย่อมแพ่คือขยายในที่นี้คือจิตเจตสิกคือขยายธรรมะเหล่านั้นอันเป็นอายะคือผู้มาเพราะเหตุนั้นทวารและอารมณ์เหล่านั้นจึงชื่อว่าอาญตะนะ แปลว่าแพ่ขยายอายะคือจิตและเจตสิกธรรมอัตทนัยที่สามอายะตัสสะนายะนะโตเพราะนำอายะตะไปมีอธิบายว่ากถวะและอารมณ์ทั้งหลายนั้นยังไม่กลับคือยังไม่ดับเพียงใดก็ย่อมนำไปคือยังสังสารทุกข อันเป็นไปในสงสารซึ่งมีเบื้องต้นเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นอายตระคือยือดเยื้อยิ่งนักอยู่แล้วให้เป็นไปอยู่นั่นเพียงนั้นเพราะเหตุนั้นทวารและอารมณ์ทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าอายตนะแปลว่านําอายตะคือสังสารทุกข์อันยืดเยื้ออยู่แล้วไป ธรรมะทั้งปวงนี้ได้ชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นที่สืบต่อแห่งจิตและเจตสิกหนึ่งเพราะแผ่อายะคือจิตและเจตสิกที่มาในทวารและอารมณ์นั้นนั้นหนึ่งเพราะนำอายะตะคือสังสารทุกข์อันยืดยาวอยู่แล้วไปหนึ่งโดยในยะดังกล่าวมาชนี แกอายตนะสัพท์โดยปริยายอีกนัยยะหนึ่งอายตนะสัพท์พึงทราบโดยอัฏฐว่าเป็นสถานที่อยู่หนึ่งโดยอัฏฐว่าเป็นบ่อเกิดหนึ่งโดยอัฏฐว่าเป็นที่ชุมนุมหนึ่งโดยอัฏฐว่าเป็นถิ่นหรือแหล่งกาเนิดหนึ่งและโดยอัฏฐว่าเป็นเหตุหนึ่ง จริงอย่างนั้นสถานที่อยู่เรียกว่าอายตนะได้ในคำว่าอิสรายตนังสาลพระอีสวนวาสุเทวาญาตนงสารพระวาสุเทพเป็นต้นบ่อกเกิดก็เรียกว่าอายตนะได้ในคำว่าสุวรรณายตนังบ่อทองรัชตายตนงบ่อเงินเป็นต้น ส่วนในพระศาสนานี้สถานเป็นที่ชุมนุมก็เรียกอายตนะได้ในคำว่ามโนระเมอายตเนเสวันตินังวิหังขมาฝูงวิหกในอารันอันเป็นที่ชุมนุมที่น่าเรื่นรมใจย่อมเสพต้นไม้ใหญ่นั้นเป็นต้นทินหรือแหล่งกาเนิดก็เรียกว่าอายตนะได้ในคำว่า ธัาคีนาปโถคันนังอายตนังประเทศทกาีนาบทคือแถบใต้เป็นถิ่นกำเนิดแห่งโขทั้งหลายเป็นต้นเหตุก็เรียกว่าอายตนะได้ในคำว่าตัตระตเตโรวาสกิพัพะตังปาปุณาติสติสติอายตเนเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ ภิกษุนั้นย่อมถึงความเป็นผู้อาศทําให้ประจักษ์ในธรรมะนั้นๆทีเดียวเป็นต้นอีกปริยายหนึ่งจิตและเจตสิกธรรมนั้นๆก็เป็นเหมือนอาศัยอยู่ในทวารและอารมณ์ทั้งหลายมีจักขู่เป็นต้นเพราะมีความเป็นไปเนื่องกับจักขู่เป็นต้นนั้นเหตุนั้นทวารและอารมณ์มีจักขู่เป็นต้นจึงได้ชื่อว่า เป็นที่อยู่แห่งจิตและเจตสิกเหล่านั้นประการหนึ่งอันหนึ่งจิตและเจตสิกเหล่านั้นเป็นเหมือนเกลื่อนกลนอยู่ในจักขะคเป็นต้นเพราะอาศัยจักขุคคือตาเป็นต้นนั้นเป็นทวารและเพราะมีรูปเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์เหตุนั้นทวารและอารมณ์มีจักขะคเป็นต้น จึงได้ชื่อว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งจิตและเจตสิกเหล่านั้นประการหนึง่งทวารและอารมมีจักขู่เป็นต้นได้ชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมแห่งจิตและเจตสิกเหล่านั้นเพราะจิตและเจตสิกเหล่านั้นเป็นเหมือนประชุมกันอยู่ในทวารและอารมณ์นั้นๆโดยมีจักขู่เป็นต้นนั้นเป็นวัตถุที่ตั้งอยู่เป็นทวารและเป็นอารมณ์ประการหนึง่ง ทวารและอารมณ์มีจักขคูเป็นต้นได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกําเนิดแห่งจิตและเจตสิกเหล่านั้นเพราะจิตและเจตสิกเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ในจักขคูเป็นต้นนั้นเท่านั้นโดยมีจักขคูเป็นต้นเป็นที่อาศัยและมีรูปเป็นต้นเป็นอารมณ์ประการหนึง่งทวารและอารมณ์มีจักขคูเป็นต้น ได้ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งจิตและเจตสิกทั้งหลายนั้นเพราะเมื่อทวารและอารมณ์เหล่านั้นไม่มีจิตและเจตสิกก็ไม่มีประการหนึ่งธรรมะทั้งหลายมีจักขุและรูเป็นต้นนั้นได้ชื่อว่าอายตนะโดยเหตุเหล่านี้คือโดยอัฏฐว่าเป็นสถานที่อยู่หนึ่งโดยอัฏฐาว่าเป็นบ่อกเกิดหนึ่ง โดยอัฏฐาว่าเป็นที่ชุมนุมหนึ่งเป็นทินหรือแหล่งกำเนิดหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งโดยในยะดังกล่าวมาชนนี้เพราะเหตุนั้นวินิจฉัยในอายตนะเหล่านี้พึงทราบโดยอัฏฐ์อย่างนี้ก่อนว่าจักขุนั้นเป็นอายตนะโดยอัฏฐ์ตามที่กล่าวมาแล้วด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าจักขายตนะเป็นต้น ธรรมะทั้งหลายด้วยธรรมะเหล่านั้นเป็นอายตนะโดยอัฏฐะตามที่กล่าวแล้วด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าธรรมายตนะโดยลักษณะคําว่าลักษณะคือวินิจฉัยในอายตนะเหล่านี้พึงทราบโดยลักษณะแห่งจกักขูเป็นต้นด้วย ก็แลลักษณะทั้งหลายแห่งจักขู่เป็นต้นเหล่านั้นเหล่านั้นบัณฑิตพึงทราบโดยในยะที่กล่าวแล้วในขันธนิเทศเถิดโดยมีเพียงนั้นคำว่าตาวัตวโตคือตาวภาวโตโดยความมีเพียงนั้นพระพุทธที่บายนี้มีอยู่ว่า หากมีคำท้วงว่าก็ธรรมะทั้งหลายมีจักขู่เป็นอาธิก็คือธรรมะนั่นแหลเมื่อเช่นนั้นเหตุชไหนจึงไม่ตรัสว่าธรรมายตนะแต่เท่านั้นแต่ตรัสอายตนะถึงสิบสองเล่าคำเฉลยพึงมีว่าเพราะในที่นี้แยกเป็นทวารฝ่ายหนึ่งเป็นอารมณ์ฝ่ายหนึ่งแห่งกองวิญญาณหก โดยที่ส่งกําหนดจากขุแล้วรูปเป็นต้นนั้นไว้เป็นอุปติทวานและเป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณหกนี่เองเป็นความต่างแห่งธรรมะเหล่านั้นเพราะเหตุนี้จึงตรัสอายตนะถึงสิบสองแท้จริงจากขายตนะเท่านั้นเป็นอุปติทวานแล้วรูปลายตนะเท่านั้น เป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณที่เนื่องในวิถีของจักขูวิญญาณฉันเดียวกันนั้นอายตนะนอกนั้นก็เป็นอุปติทวาลและเป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณที่เนื่องในวิถีของวิญญาณนอกนี้ส่วนมานายตนะเป็นเอกเทศคือส่วนหนึ่งซึ่งได้แก่ผวังคมณนะเท่านั้นเป็นอุปติทวานและธรรมายตนะ เป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณที่หกไม่ทั่วไปแก่วิญญาณอื่นมีจักขูวิญญาณเป็นต้นอยนายตนะสิบสองพระผู้มีพระภาคตรัสโดยที่ทรงกําหนดไว้เป็นอุปติทวานและเป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณหกดังนี้แลวินิจฉัยโดยความมีเพียงนั้นในอยนายตนะเหล่านี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาเชนนี้ โดยลำดับข้อว่าโดยลำดับความว่าบรรดาลำดับทั้งหลายมีลำดับความเกิดเป็นต้นที่กล่าวในนิเทศก่อนแม้ในที่นี้ก็ลำดับการแสดงเท่านั้นแหละใช้ได้แท้จริงในเหล่าอายตนะภายในจากคายตนะเป็นอายตนะที่ปรากฏเพราะเป็นวิสัยที่เห็นได้และกระทบได้ เหตุนี้จึงทรงสแสดงเป็นข้อแรกต่อนั้นจึงทรงสแสดงอายตนะที่เหลือมีโสตายตนะเป็นต้นซึ่งเป็นวิสัยที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อีกในยะหนึ่งในเหล่าอายตนะภายในจากขายตนะและโสตายตนะทรงสแสดงก่อนเพราะเป็นสิ่งมีอุปการะมากโดยความเป็นเหตุ แห่งทัศนานุตต ارية และสวนานุตติยะตอนนั้นจึงทรงแสดงอายตนะสามมีคานายตนะเป็นอาธิมนายตนะทรงแสดงไว้ในที่สุดเพราะเป็นโคจรวิสัยแห่งอายตนะห้ามีจักขายตนะเป็นต้นส่วนในเหล่าอายตนะภายนอกอายตนะหก มีรูปายตนะเป็นต้นส่งแสดงไว้ลำดับแห่งอายตนะภายในนั้นๆเพราะเป็นโคจระหรือโคจรแห่งอายตนะภายในมีจักขายตนะเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งลำดับของอายตนะทั้งหลายนี้บัณดิตพึงทราบโดยกําหนดแจกไปตามลำดับเหตุเกิดแห่งวิญญาณก็ได้ จึงอยู่คำนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าอาศัยจักขุแล้วรูปเกิดจักขุวิญญาณเป็นต้นจนถึงอาศัยมณ ะ, ะและธรรมะทั้งหลายเกิดมโนวิญญาณดังนี้ก็แลวินิจฉัยโดยลำดับในอายทนะเหล่านี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนนี้ โดยสังเขปและโดยพิสดารข้อว่าโดยสังเขปและโดยพิสดารความว่าเมื่อว่าโดยสังเขปอายตนะทั้งสิบสองก็เป็นแต่นามรูปเท่านั้นเพราะมานายตนะและธรรมายตนะเป็นส่วนหนึ่งสงเคราะห์เข้ากับนามและอายตนะที่เหลือนั้นสงเคราะห์เข้ากับรูป แต่เมื่อว่าโดยพิสดารในอายตนะภายในก่อนจากขายตนะโดยชาติก็เป็นแต่จากขปรสสาทเท่านั้นแต่แตกออกไปเป็นปัจจัยกตินิกายและบุคคลก็มีประเภทเป็นอนันต์อายตนะสี่มีโสตายตนะเป็นต้นก็อย่างนั้น มนายตนะมี8ปประเภทโดยแยกเป็นกุศลลวิญญาณอากุศลวิญญาณวิปากวิญญาณและกิริยาวิญญาณและอีกอย่างหนึ่งถึงหนึ่งยอดประเภทแต่เมื่อแยกเป็นวัตถุและปฏิปทาเป็นต้นก็มีประเภทเป็นอนันต์รูปายตนะสัตทายตนะ ทันทายตนะและรัศยตนะก็มีประเภทเป็นอนันต์โดยแยกเป็นสภาควิสภาคและปัจจัยเป็นต้นโพธพายตนะมีสามประเภทด้วยอำนาจแห่งปัทวีธาตตโชธาติและวายโยธาตแต่โดยความแตกต่างแห่งปัจจัยเป็นต้นก็มีประเภทเป็นอนเนก ธรร ม, มายตนะก็มีประเภทเป็นอนเนกโดยความแตกต่างแห่งสภาวะและความต่างกันแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสุขขุมรูปและนิพพานวินิจฉัยโดยสังเขปและโดยพิสดารบัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนนี้ โดยเป็นสิ่งพึงเห็นส่วนในข้อว่าโดยเป็นสิ่งพึงเห็นนี้มีวินิจฉัยว่าอายตนะทั้งหลายที่เป็นสังกตะทั้งสิ้นพึงเห็นโดยความไม่มาและโดยความไม่จากไปจริงอยู่อายตนะเหล่านั้นก่อนเกิดขึ้นก็มิได้มาแต่ที่ไหนๆทั้งเบื้องหน้าแต่เสื่อมไป ก็ไม่ได้ไปไหนที่ไหนไหนโดยที่แท้ก่อนเกิดขึ้นมันก็ยังไม่ได้มีสภาวะเบื้องหน้าแต่เสื่อมไปมันก็เป็นสิ่งที่มีสภาวะอันแตกไปแล้วในถ่ำกลางระหว่างต้นกับปลายก็เป็นสิ่งไม่มีอำนาจเป็นไปเพราะมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยเพราะเหตุนั้นอายตนะเหล่านั้น บันดิตพึงเห็นโดยความไม่มาและโดยความไม่จากไปเถิดในยะเดียวกันนั้นพึงเห็นโดยไม่มีความดำริและโดยไม่มีความวขวนขวายจริงอยู่ความดำริอย่างนี้ย่อมไม่มีแก่จากขุ่และรูปเป็นต้นว่าชื่อว่าวิญญาณพึงเกิดขึ้นในความพร้อมเพรียงของเราทั้งหลายเถิดทั้งจากขุและรูปเป็นต้นเหล่านั้นไม่ดำริ ไม่ถึงความขวนขวายโดยความเป็นทวารก็ดีโดยความเป็นวัตถุก็ดีโดยความเป็นอารมณ์ก็ดีเพื่อให้วิญญาณเกิดขึ้นที่แท้มันเป็นธรรมดานี่เองที่วิญญาณทั้งหลายมีจักขุวิญญาณเป็นอาทิเกิดขึ้นได้เพราะความพร้อมเพรียงแห่งจักขุแล้วรูปเป็นต้นแลเพราะเหตุนั้นอายตนะเหล่านั้น บรณดิตพึงเห็นโดยไม่มีความดำริและโดยไม่มีความขวนขวายเถิดอีกอย่างหนึ่งอายตนะภายในพึงเห็นเหมือนบ้านร้างเพราะปราศจากความยั่งยืนความงามความสุขและความเป็นตัวตนอายตนะภายนอกพึงเห็นเหมือนโจรปล้นหมู่บ้าน เพราะอายตนะภายนอกเหล่านั้นเป็นฝ่ายอภิคาตคือกระทบเบียดเบียนซึ่งอายตนะภายในสมพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายจากขุถูกรูปทั้งหลายทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเบียดเบียนเอาดังนี้เป็นต้นความพิสดารบัณฑิตพึงทราบตามแนวพระบาลีนั่นเทิน อีกอย่างหนึ่งอายตนะภายในพึงเห็นเหมือนสัตว์หกจำพวกอายตนะภายนอกพึงเห็นเหมือนที่โคจรแห่งสัตว์หกจำพวกนั้นวินิจฉัยโดยเป็นสิ่งพึงเห็นในอายตนะเหล่านี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชะนี้นี้เป็นกถามุกอย่างพิสดารแห่งอายตนะทั้งหลาย เป็นอันดับแรก